ยังเห็นด็กตายแล้วเพื่อนอะไรมองเห็นนางมองเห็นนกมองเห็นหังมงเห็นสันมองเห็นยืนมงเห็นชายมงเห็นกิ่นก็มงเห็นชายขนาดนั้นนี่กี่เรื่อง่มองเห็นว่าบองเห็นแคคนตายแล้วเปิดะไรก็ฟัง ก้อนตายนะจะก้อนละกายเนี้วถ้าก้อนละใจไปหน้าหนึ่งแล้วถ้าก้อนละกายเนี่ยเปิดประตูชักปังให้จะก้อนตา ย, ยก้อนละกายก้อนละวาจาก้อนละใจไปหน้าหนึ่งเราจะเที่ยวมาในเวลาเที่งกลาง ลองเที่ยวมาทรางามทั้งบุญลอเที่ยวลอเที่ยวมาแกตัวลองเที่ยวมาดอาวุธดอาวุธแรไผ่องเที่ยวมาอาบน้ำเดี๋ยวธรรมะพระโมคคิดเข้าใจแล้วอาบน้ำทั้งกาทั้งกาย แน่นจะได้อาบด้วยแล้วนะนั่เชกกระป๊อกม่วมถามมันกุมไหนเท่ากักานเท่าไปช่องใจเนี่ยจงองยุกขัสมะยุกม่งเนี่เขาร่งขึ้นทงกวานั่นกับเด็แล้วครับตัวไว้เป็นผมอ่ะชาละพัดก็สูด้วยด่านทฤษฎีันญา จะละควนเหลือใช้เน่พระพุทธเจประสมผูกขาจองขาดวระทส่พอเพราะเขาดประขานที่ทศเมือมีมาพเป็นลมหมดลมปุดพระพระทธเมนีรวงเมือพมมาเพราะถึงข้นถึงพระทธเจ้าสมจิตนับตะนเิสรนั่ง เป็นชระเอายอเป็นชระเอาพกระทั่งผสมเป็นชนะนีทุกมาบ่มีต้องมาเด็กอาชท้านะปลาเมีสามปั้นโนเด่กักาปลาเมีสามปันโนเด็นัญญาปลาเมีสมปันโนคนนีปัญญาจสิบเรื่องพกระทงผสมไงคนมีปัญญาเรื่อใช้ว่าไรเรื่ใช้ยังไงก็มาพูดกนคิดกันใช้ของเรานี่ เดวทุกดมีชาวบางคนเามาสองาต้องเงาบาอ่าก็มาเกิด antis, เ sweating, ดกิดแรียตายหมักควไม่ส <ourselves> ิงนม่สิงไม่ใช้ชามหาสมุทรทอดโกะตามทอดโกมหาสมุทรกระตาสะสมไข่มหาสมุทรกระตามวันนี้ออกจากพูดเขาทำมาสองอย่างก็คืออะไรครัไม่ว่าจะถอนออก เม่วานทีเอาศาสตราอื่นมาติจ้าหว่างใจเลยเมื่วานทเอารักที่อื่นมาตจ้าหว่งใจเลยโค้เป็นโค้ชตายทั้งกานั่นไปละโอ้ยเจ้าเนี่ยพระพึทกับพระพึทธแฟนท้อบกคร่องน้อท่าบกพรองตายได้เกิดเกิดแต่ตายมากก็แผ่นดินเอาสงไข่สงไขเหมือนแล้วนี้ไม่สร้างเขสร้างแล้วบอกอย่วนี้จับผูดสาระบกพรงเสี่มองมันเื้อก้นเปหมดไปเจ้าจ้างเขาไม่ได้หรอก วาทานาานพหือนเมื่อดใครตามาก็ไ่เห็นไม่ใ่อมหาสมุทรอยโดมหาสมุทรน่กระซ้า่นี้จะรู้พระมส่งีวางสันอาชีถานอะได้อะสันออยายกระซ้าน่แสนเมื่อกระชนะคน้องหลงสุองจาวองสันเพราว่าอาชีเอาชนะพื่อนีาเอานะคลงหลงสุของนีสัน ว่าที่เอาชนะคามเหวี่ยงู้อื่นนั่นหะที่ชนะความแท่งของเจ้าของมันจะแท่งได้คิดได้ใจเจ้าของขงาสาบ่แห้งวนมาแทงได้คิดใจเจ้าของว่าคิดใจเจ้าของแท่งเจ้าของสงสายเนพระรัตนมงสงสายเนพระต่มุทสงห้ยังประเทศพอดีคือเจ้าบเจ้าจันสงสายสันงรามมันงรู้เขาไ่คิดเลยคือเจ้าอวบเจ้าจัสงสายคนวางเสแล้ว ถ้าเป็กงก็พ่นหรนีแแต่โรคกทานนี่ผู้เกงก็พ่นหมือนสงสัยพ่นนั่นแหละ่อสงสัยา่ประสงนแมต่โรคทานนี่มนเกงก็เเลย่านี่เกงกว่ากติสองใให้ยั้งาว่าันลวย่าาจะของ้องไม่ได้ว่าผู้อื่นว่าขาือนว่าเขายั้งว่าถูกก็กว่าดีอว่าพิษก็กะตตัวาว่าขอมันมก่องันจ็เร ina, ืงห nee, bueno, so ่่พราะกระับกรคทับเพราะคนกรทับประสงค์จงมา หอเหรพราะว่าพรมประสงค์ขี่รสเงียบรถหยุดคนไร้าข้หนมกใช้ในสักคนรักษาว่าการไกลสคนทุกแดงทุกที่ท่าทุกว่าวัมีพระว่าิแล้นะฮะอื่นเพราะห้ามผมนี่เราเคยพระธรรมประสงสนเป็นจรนาของห้ามยังวาทิเนี่จะั่งมันย่างนั่งินกีตนา่งโลเกียววิชาชีวิตท่างพุทูตอานาทพรทศนั่งอาทิตย์ตัดหาสดสีเพราะวันดุวตัเอง นักหนะอะไรในโลกนีจะเห็นว่นาวทาประสงค์ส่วนนี้เลยร่ำรวก็ตัวพระรัน์ยากแก้บ้าเนี่ยไรในโลกอันนี้พระพุพทธจ๋าพระพุทธธรรมประสงค์อันอะแ ก, แก่โลกแก่โคแก่หลวงโคช้างมุนาหนัน่งยาโอดรดอยาพา่นอกแ ก, ลแกลโลกอยู่กับพวกคุณหมอจะ ยาไพยนแก้ที่เด็ดเอาไว้ยาพระพุทธรรมผสมนีและวสร์แก้ภพมหาญานดีในสก่อยาพระพุทธธรรมสมลงใสเนี่ยยาพระจิอยาพระปัญญายาพระพุทธธรรมสมธาตุวัดสีวัดผาวนาวัดเนี่ยเป็นยาแค่เป็นยาบำรุงมหาโรกกดลงเข้ามา วาหมาบวกมามาูดมาหานี่ยนี่ทีบวกจะ่ามพพอท่ามผส์ก็กุดนนบุญมาไ้ใจหว่า้าบุญบบุญบาปบวกบาปเขาตอบอกก็คิดแลไปจะไปไหมเ่ยถ้าสมิบอกเขอใจริงเียไนว้้านบอกค่ากินบอกกินภานาบอกภานาบอกน้ใจคนมาจากพูดกันเออไปนะบ่นเราเพระั พ่กคนสิี้ปตายใช้บริเวพรพุทธเรรสงค์อาอกเสียวพมนว่าอ๋คน้าล่าพระเจ้าเอาเสียนุเรศลาปรตายใช้หน้านี่ยผู้ใดเชยลาไปกลาไปถงไตัวว่างเนี่ยหน้าชาเาคือารปสง์ไป้ลดล่าไปที่ไหนก็จะเอาว่ามันโง่จังไลาไปตาย้ก็ไปถงไดก็จะ้่าชาวคนาพุทเาธรมประสงค์ได้เอาไว้หัวใจอยู่ไว้จันทก่อนมันฆราไปเ่อคน้าราพระเจ้าเอาเสียนุเรศลาปรตายใช้ห้าผู้ลาไปก็ไปถึงนวว่างเนี่ย คนมันจรูจบก่นปลาไปพราะไฟไม่พลาไปสายแค่เดยวหนึ่งวอนนพราะคนก็ท่าประงเอาไว้นึคิดในใจเนีหน้าลลาปีลาเดือนนี่คอมันมาลามันก็ล่วงไปปีเดือนที่ว่าแค่ไ่นมันในลาจักมันจับมันตเกียบอะที่วิชาของไม้ลาจักมันเกียบมันในล่วงไปที่ว่าแค่นมันขึ้นเท่าของได้ลาจักมันตะเกียบมันล่วงไปมันล่วงไป ใกล้จะตายก็มองเข้าสนยตายก็ว่างขึ้นมาอ่านว่าเนียาโยอไมันลวงให้มันลวงเองดูตามจริงก็ไวัดตามจริงี่สั่งแหละเป็นทุกขณะที่หนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งสนกันาโลกจะเป็นประโยชน์ของทุกขเห็นหน้าฝ่าร่อมคณะกินหนึ่งก็เห็นโลกออกนะโลกจะไป็นปยนนนาฝ่่ม คุญแพุทธรรมสงห์ังพว่นี้เองก็คืนพครที่เห็นเป็นเรื่องของผู้เห็นใคร่เห็นเป็นเรื่องเอผู้่เห็นกุญแจพุทธรรมผส์ก็ได้มาสี่ภูมิสี่ขั้ให้แบบใส่กันใส่มาเรียกใค่าทำไมเก็บมาหายมันตายทุกไก่เนี่ยกุญพุทธรรมงส์กับบริวาเนี่ยเป็นจริงอยู่ใส่นี่คือว่ามีสองเองก็คืนใครเข้ารับรับถือศาสนาสิ่วหไปสสาะัตากุญแจพุทธรรมงส์ก็ไม่ย่อใส่ คุนพ่อขุนแม่กับคืนกันยู่แหละขุณพุ่ณพระธรมประสงค์ขุนคุบาอาจารย์กกบกคืนกันยุ่แหละขุณพุ่นพระธรประสงค์คุนท่านทุกมื่อนเมื่อเกิเมื่อขืนของคุณเราพรธประสงค์ยังไม่กระเว้งขระนขุนขนุ่นพระมประสงค์กัเป็นเมื่อขืของคุณพระในพาเนี่ยยังไม่กระ้ง่นเป็นข้องกลิ่นเนี่ยทำไฟทั้งค้างเกิดรับย่งไม่กรเว้งกร่นทำไฟของพกเกิดับย่ไม่ก็แว้งขึ้่นอันเดียวกันละ มันเรูดไปจริงหรือาปล่าอจริงไปจริงโงสั่งีว่าองไรบาปกระจไปพ่อบาปด้วมุ่งเนี่เขาล่นคืนจริงยุคกระซังเนี่ย่งพยายามย่ามออกมามันยงเข้าใจเห่าพราะมาเคืน้องหน้ามันม่งเี่เขาล่นเคื่นบุญอะแล้จะไปนอนมาไปนอนกระซังน้องหน้ามันมนี่ยมุ่งเนี่นเขล่นคลื่อนหรือน้ามันมุงี่ยมุ่เมี่ยเล่นคืนแล้วก ja. <lion. S 1> ินม um. like ่กินกระมาลองเรือกเค่นว่าคอยนี้แล uh ้วไปหน้าม <Questo philosopher> ันกินคอยซ้าวอะไรมาเย็นปัญญ ว่าสะอาดไปนะ้งใส่ดีปไปนั้งน้ามัาบอได้ว่ า, ค, ากกคุณพงษพูดเขาทำผสมกันเดียวกันเลยคุณพ่อคุณแม่ร่วมงานวัดแล้วว่าสินี้เอากีูคุณ พ, พงพูดเขาทสมเกลือเนี่ยนายก็าสั่ว่าแลกาาันว่ า, รารพระธดาบ้านเหมือนฉน่ว่าผคนก็บกกว่าสิ่นี้เกือเรากิีแตกี่นี้ฉันเข้า่าจีมาเยืนกันพวกี้นวยอย่างาาเ้งย สูตายแอ้วผู้พิทักษ์ประสงค์สมานแล้วไม่บอกสูตายไั่กรติใจโเกิร์ตมาแล้วมิสเตียร์จะเก็บจะตายสู้ตายต่อผทักษ์ประงค์นะทุกข์กับทุกข์รำพันไม่กับไม่รำพันทุกข์ก็ไม่ นับัณฑิตองวัตถ่ก็ทำาสมมาได้ในใจโรกาาเนี่นักจะเขาไม่ทับพักเสียนึงไปน้องฮาวมันไม่มาใช้นักจะเขาไม่ทับพักเสียนึงเสียนไปในทางอามิดนะเสียนคั้มสอนนั่นสิค่ะเอามาว่าคันนี้นี่เอาคั้มสอนมาใช้สันเอาขั้มสอนท่านพุทธพระ่าสมจะมาสอนเล้ยวนะเ้าก้องกนสมัชชาคนบอกก้อนจบวดเล้วอะยงเงะ มาบอกนควนเพิ่นว่าตเป็สลับสลัไสยังได้สะซ้อนมดก็คนสะตมาสมไปี่ะซ้อนไะเหียวสะซ้อนกินขขาสะซ้อนนอนงุดตีสะซ้อนแต่ถ้าทำร้ายะกรวดไ่านเพินะซ้อนขี่สะซี่านเพนนก็นอนงขุตีเพิ่นสุดทว่าในห้องโถใ่ไหมห้องเพิ่นมัดเนยทำให้ใจรคาติ่องคสะมมดน่ มันาเป็นมันเป็นคูภูไม่หยาดมาแยงเอาหน้ามอเาันปล่อยให้มูเห่าเลี่ยปล่อยซัดทั้งหลายล้ี่ยมันกระโชกไปที้าไปเล้่ทวา้นพองผูที่เจาะผู้ได้้อยากได้ร้ายเอาร้ายเมื่อได้ใจน้อยจะเอาน่อยมันมัดมนเป็นมัคือวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกใครน้าวันั้นฝันใจได้น้อยได้ร้ายยากกันความสั้นที่เจานี่ยฝ้ายอยากได้ร้ายเสาอาได้ใจน้อยเสามือเนี่งมัดจะเพื่อ ก็สัมยาเสมอมันมัดเข็มข้าวซอยข้าวคืเป็นสารละเท่งข้าวข้าละโรกกันเอเราเอองค์เจ้าพันวาข้าวบัได้ออกไปทำได้เลยคือการทำมุโสนี่เลยนะสิว่าข้าวบัได้ทรัพยได้สินบอกขาเอากับอะไรแล้วไอ้ข้าม่แบปันให้เร พระพทธธรรมพระสงฆ์ัเราเาบกเอาแต่เพื่นจับเพืนจัใช้มือให้เขาแล้วนเราควงถิ่แต่เพ่นจับยับใหัวใจเมันก็ไ่ได้แล้หัวใจเขาบอเอาวันวานงสัาษาอังกฤษบน้เรางวดกัวัระพุทธธรรมพระส แผ่นในจราพราตนี่ยพระแข็งนดินพระพุทธธรรมพสงฆ์โหสัตว่าเมืเอเ่อไห่คนสมมติละวัดเนีโนเนี่ยจะเป็นบุญว่าโน่เนี่ยจะเป็นเงียวที่ขาไวว่าตายบือ่ไม่บบ่บุญอะไเนี่ยอะไรข้ขอกันไหนนั่น เห็นกันได้เห็นอาย่างพระท่านกายแต่กระเจิงไว้เที่ยเที่ยวอไรก็คือว่าไมบาดไม่หวนฮะเขาเขากินเมื่อกี้กินที่อนขม่มันก็อะไรตัดกันเมือรืงคนเกิดเนี่ยวันนี้มาไม่ถึงจะเลิศบอกคือว่าไับาดไม่วนไม่หวนจะรลิศเนะ้่อ็ได้กระ้างรับนี่ให้ประเทเท่ากับสือหลังหรือเราพอแช่เท่ากับส่หลังเห็นจะลิไม่ต้องไปบ่อไหน คือพวกมันบากไม่่วนเรามีไม่วนเราไม่ต้องชอบคุแม่เรไม่แต่รับตาเรารอกถ้าพกเอาอยู่กับพวกหจักพวกเขาเมื่อตายพกวันมาแก้พายเขาเบิ่งเงินแบบยาขเกงนแก้กินเนเขาเบิ่งเงิะเราไ่มีความไม่่วนเขาโง้เขาโกรธถึงขนาดนั้นอะได้ค่มงโม่รวาเป็นบริวารมง่าเป็นบริวารได้ไปเพราะไหนเนระนั่น ตอนก่อนับเลียงระชาเต่อาอยู่แล้วมุสู่โลกโควัดต่อเพราะว่าศานาแมันสูบไปมีไปพราะอะไรนี่ต้มน้ลายสิงฟ้ามีขาตมน้ลายสิฟ้ามันตกแต่สตกแต่หนาจะของอ่ะ นิ่าฟองขอนทะเช่นดานพองขอนยกก็เขาน้องวัยเอกสำรบพท่านนั่นเห็นไหกรรมและผลของกรรมมันไม่อยู่มันก็คือคดีดำคดีแดงในโลกนาสานคดีดำคดีแดงในโลกนิสานน่ะมันจบเสษียณแต่นี่ยมันจบเปลี่ยนได้เงความดีมันกระทาสนองทุกศาสทุกภพความชั่วมันกระทำสนองทุกศาสทุกภพคือกันไปปคู่กัน ว, ว่าวเลคือเบ้งเจ้าพ่อพุทธเจ้าแค่แค่แต่ว่างยาข้าพิดคนไขายตายมันนี่เกลดกันหน้าถ้าพวกองค์ท่องเ ท, ที่ยวในวัตาทาท่าสารเนี่ยคพเจ้าน่ยังบรรดานเนี่ยไปเนมุ่งหวงของใหยสุทธาขามันบดกืดเลยนั่นค ำ, ำเวทมันตามมา ไม่ว่ามาเถื่นคนหรือว э ่าพนคนจากเคี่ร์เก็มามาถึงแล้วมูหอมันสาม้าน้าก็ได้ังดังทงเขาที่ของหวันฝนจากเคลียรอสันเาหนคนไปแล้วสาม้าเขาส้างุมาคือกางเกง่นกางงุงคนมันขาดเี่ยคนิมแล้วเที่ยอะไรคนน้มาพร้าวกางเกงกางสกคนเอาไปเผาไฟ่น กทีมแก็สิเรียกหเนื้อนั่นนัก็คือกัรในชานั้นพบว่านี่ยพันสิมว่าหลัะนิ่แจ่พันอยู่เหนือเหนือวามเดียดเบียนไปต่อมาเดีเดเบยนไคมัาถงคนเจี๋ยบอกว่าถังแล้วตอสาวโซคนนี้ผ่านจิดใจคนจิตใจคนผลไปแล้จากบ่วงทั้งบ่วงแล้วบ่วงทั้งบ่วงแล้วมาท่านคนแล้วนี่จะโตเอาฝันโตตีนผักโตยังสมัยแ าว่าสารส้างสิแม่ตะตะแรมตหน่อยม่ใ่ศาสนาพุทธหมดิข้สานเอศาสนาอื่นๆสนาสมร่วงศาสนาพุทธสักวันต้งติดข้อข้อสรุปในได้ไได้มันคืยยไมันก็ไป่ไร่ใช่พระหมกขร า, า, ารวิหมกขาาาราวิทก้อไป คนไทยนากระ บ, บุกฝน ล, ลออกกรกปุกมากมาเหลือสายพระพุทธเจา้าเฮาแล้วคอยทำเรพระหันตัจนัดมานําเป็นสักแสนล่ลาน่าวพระเจา้ามาสาาัวศาสนาอื่น บ, บอกพัดเทวายจะใส่โลกาธาขึ้อกันตอนที่ตายถือมาเป็นยันเป็นมนุษย์เทวดาพระกันองข้าวที่ใ่มาพระเ้าบัตรสน้าของพระองค์เก้านักเข้าไปนะเข้าไป ัเสรจทำไสารหันนวันนี่ยวาที่ของศาสนาอื่นมันบ่มีพระสสดิ์วันบ่มีเจ้าข้าพามีอนีรบ่มีอณาข้าม่่มีสารหันเนี่ยรัฐีศาสนาอื่นต้องหันหน้าว่าศาสนาพุทธก็ไม่ใช่คนจักมีแตัวเดียศาสนาพุทธผ่ก็ก็มาจะตังเสียอยเท่านั้นก็ได้รับเล่าพบอกคจะคนตั้งถ้าปังได้วงได้มากก อัเกากันองแล้วกับข้อเกาันมากเป็นยุคสมัยสลายมาแบบว่าเราพอหลอบอกกันพระเจ้าองค์นั้นพระแกวพรเท่าพระเจ้าองค์นี้พระแก้วความันเท่ามาตัดออกคํามอนเนี่ยพระมาเพิ่มข้อ้ามซ้อนพระพุทธเจ้าทั้งหลายบริแทงดีแทงเด่นกันเลยดีขาะุทเจ้าทั้งหลายข้ารถถ้ำบอกพี่ว่ามดโคไม้มงมงดูคํามอนพระพุทธเจ้ามันก็ไปก็หลอดเลยอน้าคํามอนพระพุทธเจ้าถึงดินดินของโลกตัว เป่ย ไ, ไม่เม็ดในเ้นเป็นครื่งวัครื่อง ส, งสวงของโลกเป็นดิ่งของโลกโลกส้างร้ประมาธิว่าเอาคำสอนพระพุทธเจ้าตามกฎหมายคนมูกนฟัก ค, พ, ค, พ, คพวกมันก็บวิยูาณอะไร่ะต่างอะไรขึ้นมามาทับถมหนพพึงเจ้าพระพุทธพระธรรมประสงค์แต่กระเจิงไว้ใสันนี่แนะึ่งกฏธรรมกฏคองมธรรมเป็นธรรมะที่พไตรมเป็นอัตาที่ไตคำสอนในพระพุทธเจ้า ไม่ได้ข th ่าขามผู้ใดไม่ได้ยกเหว่นผู้ใดไม่ได้ทำเพนก็เพียวัดไม่ได้ทำถือกับือวัดวันนี้ช่องสามวันนะนั่งม่้ตั้งเปพักเปนพวกไว้พักคัดข้านก็าม่งี่พักอนุโมทนาเขาม่มีต้องสอนพระเจ้าไม่ได้ทำถูกเมีนาที่อัโมอนุโมทนาอะไรทั้งนั้นไว้ทำเพกับเมีน่าคีศีวะยินดีนั่ทั้งนั้นไ่ไ้ทำพักเปนพวกไว้นั่ง นีส่สิอานุโมท่าเลยทุกคนท่านทาถูกท่านทาผิดกับเมื่ยนาทีวิสระสิบ่ยันดีทาไรทุกคนระวั ง, งว่าัดขาน ก, กับวยนดีพระพุทธศาสนาไ่ได้ บ, งบดังคับจริงรู้ศาสนาก็ไ่ได้บังคับบ่ได้เดี๋อสันเดี๋อวสู่ได้บ่อเดี๋ยวเ็กไแต่จริงรู้มันฟูมันกิเลส น, น้ำเป็นง่ายงาบดูแสงมันเหลือมใสพระพุทธเจ้าที่ไหนแล้วมัเหลือมสพระธรรมประสงค์ไหนที่ไ มองเขาสั่งว่าขึ้นมาคูแ่แก้เพิงห น, นึ่ง แ, แ ม, มไ่ไม่เอาเรยมใส่หมดคู่กันก็ไปว่ไรแย่ว่านแค่แม่ไมเอาเรียมไสแม่คูแก้เพิงมันกลับมาเรียมใส่ว่ไรคือว่าไงผมกำลับเำขามันยัางนักจูน่ะผมทำข้ามันแต่าเรียมส่เนี่มพูดเพราะทาประสงค์กับการเิดว่าเขาเนี่ยส่ไุตรนี่แค่ามเมล้ดมันต้องใช้ข้าวส า, ส า, มมาลีใ น, น, นตัวแล้ว ข้ามือเหล็กสายเน่ยพราพัฒาผสมกับศาสตร์เลยว่าบารมีของห้าเนี่ยังตามต่อยอยู่ยังมีกิเิสเปเจ้าหังใจร้ายอยู่กับเครื่องวัดที่ไหนตัวหมุนเอื้นกเนี่ยถ้ามโหสถศาสสนามไปจุดเก่งกวนโหติเจ้าท่ายคนเดี่ยวกันวัดเถียงเลยเห็นร่างมกุฏพระเจ้าองค์ไดก็บอกว่าบอกว่าคิดหายว่าไม่สารอุทอรณ์อะทุกทุกพระองค์ก็เลยมาท่าคือกันไรวัดเพีงเลย เชื่อมันชิบหายจิไปรองขพให้มันเจริญมันก็เปลี่ยนไปบไรเพื่อเห้ไปรองเพไฟเนะ่เหตุมันห้อนเมันจิไปรองก็ขอลองผลของมันห่อนเมื่อกับมันเย็นมันกับอะไรกันเหตุมันชิบหายห่อนจิไปบรญัติว่าเป็นเหตุที่เจริญมาได้ก็กลาเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วมู์นสั่งพระพุทเจ่าจึงบรรยัติละทำไมันกยึตามในพวกจักเหตุไม่จักเหตุ อ่นี่เป็นเหตุแห่งสุขอนี้เก็นเหตุกห่งุอาจารยสตาไปผู้รู้จักผลรู้จักก้อสมควรผนแห่งเหตุอันนี้ทุกสควผลหเหตุอันนี้เราควเจะยมคือมันย้ำแถว่ารู้จักควม้าจนน่ยอาจารย์นสตาไปนผู้รู้จักเราว่านี่คือคนที่พูดจินี่วือคนที่นูดอย่างตัวคนที่สมควรเสียสารที่เป็นอย like no ู ja> ่ยังไงเลยครับ้าเป็นมนด พ ร, ระพุทตนนะสงควรเป็นมนุษย์แท้เราอ่ันว่าจิประพีนรัตย์สร้างพระพุทธเจ้าทั้งั้งข้นทั้งรองว่งกับไฟปตลอดอย่ว่าเลยปฏิบัติทําสันละเอียดว่าอะรปฏิบัติธราสันา ง, งามเอยงามก็ว่าละเอียดก็ไนนะ่ไร้ต่อย่าพูปีนทรัพางพระพุทธเจ้าแต่อยา่ า, า ว, ว่าใจถึงสร้างจะสร้างตัวทร้างดีแล้วว่ใจถึง เครื an, then, ่องรางวัลไหนใจฉัจะทหมดโคตรหมดจฉันำเงินฟูหมดเครื่องางฟูเงินเฟรางฟงเืองหันเกรตสอาง่วันทำดีเพื่ออดโลกทำดีเพื่ออดความดีของเจ้าของตัวทำัวก็ว่าความตัวของแล้วเอาึจสันทำตัวใจฉันทดี น้องที่แสดงควอมโซ่แขวคนดีเพ่ออารรพ์เพ่อกับว่าอาถรรพ์น่ะเ้องทแสดงควมดีแวนโอาถรร์มันกับว่าอาถรรพ์สิหล่น่ะธาของมันว่างเลยน้องินเหาวฮะมันชนะเลลวมันกับว่านะน้อเรียนเลขมันนะเลขมันกับว่าชนะเลขเอาควมบัเอาควอมบวกลำรวมชนะน้องที่ขีลานั้นมันนะมัน มาก็มาชนะลเอามันมาสนะขาดเอาข้งเอาั้ดีมาสนะขัวงูสันนะเอางูบวกงูเอามุทุบวกมุทห้งนได้หมองสัเออข้อนได้ในใจร้ส่นสดีตองขาสาลีกเกลือเามานจะมเอันนี้คำว่ไหนชักอันมันกัดใส่ไวได้แล้ว ว่าที่เราเขาเท่าไปหัวหน้าเขาเขาในเลขเขาไปเท่าไปหัวหน้าเขาแล้วน้อมน้องคนเขาจะเนนอนํากคเขาไปังมันไปั้งบดียกไปทั้งบดีวันนึนอน้องคนเขาไปทังดีมันจังดีนองน้องคนเขาไปทังตัวมันกับตัวกันเป็นหัวหน้าเขาไปทังดีมันก็ดีเป็นหัวหน้าเขาไปทั้งตัวมันกับตัวกับซ้เก่าขนาดเป็นคนมันกับเปนคนระเรืองก่น่นอาจา้อาจารย์นอนะคร ตนนจเพ่นของนใจเป็นเจพของใจธ่ามเนเจะเพื่นของธรรมสีเป็นเจตเพอนของศีสมาี่เป็นเจตเพนของสมาธิปัญญาเป็นเจตนของปัญญาไม่ได้คิดในใจของห่าข้ามเนจะเพืนของท่ามเลื้อความแต่นี้จะเป็นตัตอนศีลเป็นเจเพิ่นของศีลเื้อความหราลายจเป็นจังตอนสมาธิตั้งมันจะเป็นจัต่อนแ้ข้ามทุก่นตั้งมันไม่ิดในใจ มันยากเราหลุในกองสถานทางขวว่ามันเกิดขึ้นแบบแบบปดแตกสลายมันไม่ได้สั่งไม่ได้เพราึง่ายนี่ถาถ้้าไหักมุนเทวพาหม่างเกิดขึ้นมาแหล่นั้นั่งตือติวมีใจได้ลองเดือดลงของมันตายทางคานทงร้ายทางาแหล่นั่นสํางตือติวไม่ใชได้ลงเดือดงของมุนถาต้องรู้จักไหวขันว่าคงจักไหวเขาไ่ได้เอ่ะอนไหเดี๋ยวมัดคามันแตกสลายไปฮักเสียใจกันม่มีสถานีอยู่ มาห้าได้่าดีใจเกินมุ้ยสถานีอยู่เพราะห้ามู้จักสังขาที่เกิดกันแล้วเกิดปวดได้แตกสลายไปเนีย่ยลามมันแตกสลายจากเข้าหรือเข้ า, าแตกสลายนี่จากวัตถุที่แบเอาเสียใจเกินมุ้ยไม่ยากที่จแก่เพราะเข้าไม่เคยแต่พี่ก็นาเนีแต่ว่าเข้าได้แล้วท่นจะยิ้มใจเกินมุ้ยจักสถานีประธามันเสียไปจากห้องหายอยู่บนเาลืาานีนย่ยเพราะเพาเห็ุไดเพเห็ุหท่ามอพี่กา็นา แน่เลยอันนี้จังทุกครั้งอันตายเล้จริงไมที่เฮาสมมุติว่าได้ในโหรอนี้ซึ่งมันส่งคือสมมติว่าเสียเนี่ยเฮาได้เกิดได้แก่ได้เก็บได้ตายก็เฮาได้เกิดกันก็เรียกว่าได้แก่ได้เจ็บได้ตายเยอในตัวมันเนาะถ้าที่พิจุข้าหันเกิดบ้ามันได้ทุกได้ชราพิจุข้ามันร่ำพิจุทุกครั้งมันจเป็นทุกข์หมากันเด้เกิดม้าที่ไหัน ไม่ได้ย้มยมแก้ม่กอนไม่จะแต่แม่านทะเลทุกข์นี่จหัวนะโตไม่จะหายเกิดมาออกกอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็ไม่จะหายเขเปเห็นได้เพราะมันลากไ่ดีแต่เมื่อเกิดส่วน้ม่านทะเลทุกข์เกิดมามันสนุกทุกขสบายมันก็ยิ้มตัวนี่นั่นปรเทศไทยเพื่อนั้นมันยิ้มไม่ใชามันสมัยเปรดมันสมัยยิ้มเพราะมันเป็นทุกข์นะมันเกี่ยวมันปวดมันออกมา ยันสว่านนักสว่านออกมาออกมาต่อทุกจุกฝากทุกที่เต้นเต่นนั้นร่างกายทุกขาของมันอ่อนๆมันอกระแสบเมื่อกระไฮแล้วมันเสียบต๊กไก่มันมันของมันใส่กับมันเห่าอย่างเดี้วแต่พานทุกคนทุกคนนี่ใครเกิดมาหยิบจะกคนวะวะอะไรอ่ะแต่ถ้าพานทะเลทุกนั่นเสียสันคนว่าชาติที่ทุกข้าวอะไรทุกอะไน เห็นคนเกิดก็น้องม่ใจจะของว่ามันจะเป็นทุกข์กันเน้นคนแก่ก็นอแม่ใจจะของว่ามันเป็นทุกข์แก่เน้นคนเจ็บก็นอม่ใจะของามันมันเป็นทุกข์ท่านเก็บเน้นคนตายก็น้อม่ใจจะของว่าสะตายจะเอาเน้นคนเกิดแก่เก็ตายเคยาเห็นท่านลวงหมอลกทวนเบ็บรดั่คนว่าจยองสบานเอาลงบอกป็นทุกข้าที่ศาลเลยในเ้าอยาดในข้าขัวตามเป็นสิ่งบ่มันถูกเอาเราเเห็นคนแก่จะเคลียรบอสจายองพิลาวานทา คยเห็นนะตัวเด็กพ so, like <andro> ี่จังไรเบอรด็กพี่ชนะจังไรอ๋อบดจังไก็แล้วไปลอนี่เห็นคนคเคนเจบ่ยเห็นบ่แล้วตัวดนาจังไบดนาจังไรเอออ